หลวงปูสามอากินจนโนวัดปาดไรยวิเ ว, วกตำบล น, นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองถึงสองพันห้าร้อยสามสิบห้า ก็อยู่กับบุคคลทุกคนเว้นไว้แต่ไม่ทำถ้าทำต้องมีทุกคนเพราะธรรมะเป็นของจริงต้องทำจริงจะเห็นธรรมะ ของจริงการกระดำก็ทำจิตให้สงบใจจะสงบได้ก็ต้องอาศัยการพยายามทำจิตใจให้มันดี ทำจิตใจให้พอใจในใจเพราะธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้ง ของจริงมันมีทุกๆคนธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็มีอยู่ในทุกคน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกคนแต่เราทำไมถึงไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสงฆ์ อาศัยการกระทำฝึกหัดดัดแปลงจิตให้มันดี ต้องอาศัยการพยายามมีสติกำหนดจิตใจให้มันอยู่จนพรากจากอารมณ์ภายนอก เพื่อเป็นอุปนิสัยไปถ้ายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานมันก็จะเป็นอุปนิสัยติดในใจพบแต่สิ่งที่ดี ที่ชอบไปในอนาคตตการข้างหน้าการภาวนามันเป็นยอดของทานอันเลิศเก็บอยู่ในจิตในใจ ทุกภพทุกชาติไปจนได้บรรลุผ ล, ลนิพพานก็ต้องอาศัยบำเพ็ญบารมีของตอนนี้แหละ บารมีของตนนี้แหละเป็นสบียงอาหารไปข้างหน้าอีกเกิดไปชาติไหนก็เป็นคนที่มีความดีความงามอยู่ในจิตใจ เราได้ฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของเราให้มันบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเราจะต้องเพียรพยายาม เจรานาภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลาตั้งสติให้ดีสมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง แล้วก็พิจารณาร่ารงกายจิตจะเป็นหนึ่งก็ต้องใช้ความพยายามพยายามด้วยใจพยายามให้ตั้งอยู่เสียงที่ดังขึ้นแล้วก็ เงียงได้ยินไม่ต้องคิดอะไรคิดให้มันน้อมมาน้อมมาอมมายู่กับอารมณ์เป็นหนึ่ง มันเป็นสมาธิไปแล้วก็ให้ตั้งจิตเป็นหนึ่งประคองอารมณ์ไว้ตั้งไว้กับอารมณ์ให้เป็นหนึ่งจดจอ ไว้อยู่อย่างเดียว ให้เป็นหนึ่งอยู่ข้างในแล้วพิจารณากายมองดูข้างในร่างกายมันมีอะไรเป็นของดี เป็นสาระแก่นสารอยู่ในใจมันมีอะไรมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของสโสโครกมีแต่มูด อาจมเป็นของไม่ดีมีแต่ขี้ทั้งหน้าขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้กายขี้ในท้องก็เต็มดูพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความสลดความสังเวชนี่แหละดีคิดให้มันน้อมมาแล้วมันเบื่อโลกเบื่อมันเกิดเบื่อขึ้นมาเพียงชั่วคราว ก็ทำไปเพื่อเป็นอุปนิสัยทำไปเรื่อยๆเพราะเป็นบุญทุกวันทุกวันบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี้ ทำได้ทุกวันปฏิบัติทุกวันธรรมะของจิงที่มีเท่านี้ถ้าเราทำเพราะอยากเห็นนี่อยากเห็นนั่นก็ดีเหมือนกัน เป็นกิเลสถ้าเราไม่รู้ก็เชื่อว่าเป็นของจริงแต่ของจริงมันต้องตั้งอยู่ตรงอยู่เป็นหนึ่ง อยู่นั่นแหละ